ดวงตกทั่วไปดวงตกแบบยกให้ขึ้นง่ายดวงตกแบบยกให้ขึ้นยากดวงตกแต่ละแบบเกิดจากบาปเก่าคนละชนิดและมีบุญใหม่ที่สมน้ำสมเนื้อกันช่วยได้เสมอสังสารวัตรมีรอบตามรอบสูงวนเวียนดวงตกในทางพุทธเป็นเรื่องจริง เป็นวาระที่วิบากแห่งบาปเก่าเล่นงานและเป็นอะไรที่วัดใจว่าคนคนหนึ่งดวงตกแล้วจะทำกรรมอะไรต่อดวงตกทั่วไปคือวิบากของบาปเล็กน้อยเคยรบกวนจิตใจคนอื่นนิดหน่อยเลยถูกรบกวนจิตใจนิดหน่อยบ้างไม่ต้องพยายามแก้ดวงใดๆหรือเมื่อไหร่ก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ดวงตกแบบยกให้ขึ้นง่ายคือวิบากของบาปปานกลางประทุษร้ายคนอื่นเข้าไวแบบชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อบาปเลดผลแม้หนักก็ไม่สุดหรือพยายามวิ่งเต้นแก้ไขได้ไม่ยากดวงตกแบบยกขึ้นยากหรือเจอแต่ทางตันมืดแปดด้านคือวิบากของบาปที่ทาไวหนักหรือยืดเยื้อยาวนาน เช่นปล้นแบบยกเขาไม่เหลืออะไรไว้ให้เจ้าทรัพย์เลยหรือทำร้ายจิตใจใครโดยมหวังให้เขาเจ็บช้ำแรมปีเขาขอเลิกราก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้เช่นนี้เมื่อบาดเพลดผลก็มักเป็นสตาชีวิตที่ล็อกไว้แบบไม่เปิดช่องให้ทำอะไรได้ดีขึ้นขนาดอยากทำบุญยังโดนบั่นทอนกำลังใจในระดับดวงตกสุดขีด บุญใหม่ที่ช่วยได้เป็นบุญภายในไม่ใช่บุญภายนอกกล่าวคือเมื่อทำอะไรให้คนอื่นแล้วไม่ได้ผลหรือเหมือนมีอุปสรรคขัดขวางบุญตลอดก็ให้ทำบุญกับจิตตัวเองดูบ้างทำบุญในระดับมีความศรัทธาเป็นฐานการทำบุญกับจิตตัวเองแบบพุทธคือบุญขั้นสูงสุด ตั้งต้นจากการทำความเข้าใจว่ากายนี้ใจนี้ถือกำเนิดจากพ่อแม่คู่นี้เรากองบุญกองบาปในชาติก่อนๆเป็นตัวกำหนดยุติธรรมที่สุดแล้วได้รับความเป็นธรรมที่สุดแล้วเกิดใหม่ทุกครั้งคือการหลงยึดเยื่อคือกายใจในอัตภาพใหม่ทุกครั้งเมื่อหลงยึดก็หลงสะสมบุญสะสมบาป เป็นเหตุให้เกิดกายใจใหม่ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อทำไว้ในใจอย่างนี้แล้วทุกข์บันเทาลงก็เรียกว่าสติเกิดโดยมีฐานเป็นความเชื่อความศรัทธาทำบุญในระดับมีปัญญาเป็นฐานและเมื่อรู้เข้ามาในภาวะทางกายใจอันไม่น่าเอา นับเริ่มจากมีสติเห็นความทุกข์ว่าทุกหนึ่งหนึ่งไม่ได้เกิดเองลอยๆแต่เกิดเพราะมีเหตุบีบคั้นเห็นว่าทุกนั้นั้นตั้งอยู่ไม่นานก็เสื่อมลงไปเองทุกไม่ใช่ของเราทุกไม่ใช่ตัวเราจะเลี้ยงไว้ก็ไม่ได้ต้องหายไปเป็นธรรมดาเมื่อเห็นทุกทางใจไม่เที่ยงได้บ่อยๆ อุปาทานยึดกายยึดใจก็เบาบางลงเช่นนั้นก็ทราบชัดกับตนว่าดวงตกแต่จิตไม่ตกก็เหมือนดวงขึ้นและเป็นดวงขึ้นทางธรรมขั้นสูงสุดด้วยใครทำได้ก็เรียกว่าสติเกิดโดยมีฐานเป็นปัญญา